มาวัดมาทำบุญมาหวังอะไรต้องการอะไรจากการทำบุญเหมือนก็ไปซื้อของที่ร้านเราก็อยากจะซื้ออะไรไม่รู้เลยอ่าสงบสบายใจอบุญรู้ว่าแปลว่าอะไรอะ บุญก็คือความสุขใจงั้นทำบุญก็ไม่ได้หวังร่ำรวยใช่ไหมแล้วอย่างอยากจะร่ำรวยกันอยู่<ม>เวลาพระสวดนี้บอกว่าอายุวันโนสุ ข, ขงพลังจะเรินด้วยอายุวันนะสุขพละ เพิ่มทำบุญก็ต้องการความสุขใจต้องการดับความทุกข์ใจความไม่สบายใจเพราะความสุขใจหรือความทุกข์ใจนี้เป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสสาหันยิ่งกว่าความสุขความทุกข์ ของทางร่างกายถ้าเราต้องการความสุขความทางร่างกายเราก็ไม่ต้องมาวัดความสุขทางร่างกายก็อยู่ที่อัดร้านอาหารเวลาหิวก็ไปกินข้าวกินข้าวก็อิ่มร่างกายก็สบายความสุขใจอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ควรจะไป หากันก็กิด ค, ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายพระความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเหมือนความสุขแบบยาเสพติดพอได้สัมผัสแล้วก็จะติดได้ดูอะไรก็อยากจะดูไปเรื่อยๆ ได้ยินอะไรได้ฟังอะไรก็อยากจะฟังแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเหมือนกับยาเสพติดเช่นบุหรี่สุรายาเมาเวลาดื่มก็มีความสุขเวลาสูบบุหรี่ก็มีความสุขเวลาอยากจะสูบแล้วไม่มีสูบก็จะกลายเป็นความทุกข์ไป เพราะมันสูบแล้วมันจะติดดื่มแล้วมันจะติดเวลาไม่ได้ดื่มมันก็จะทุกข์ไม่ไม่เฉพาะแต่บุหรี่กาแฟนบุหรี่หรือสุรายาหมาอะไรทั้งนั้นอะที่เสพผ่านทางตาหูจมูกเล่นกายเล่นสามีภรรยานี่ก็เสพผ่านทางตาหูจมูกเล่นกาย คนที่มีสามีมีภรรยาเวลาเสียสามีแล้วเสียภรรยาไปก็เสีย อ, อกเสียใจเสียความสุขไปยั น, นความสุขแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกเป็นความสุขกลอมความสุขจริงต้องความสุขทางการทําบุญอ ความสุขทางการรักษาศีลความสุขทางการภาวนาทําใจให้สงบ <c oughs> ความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่สะอาดเป็นความสุขไม่เหมือนกับความสุขทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายเป็นความสุขที่มีความทุกข์ ตามมางึงขวนขวายหาความสุขทางการทำบุญทางการรักษาศีลทางการภาวนาจะดีกว่าใน ส, ส่วนใหญ่ญาติโยมจะรู้จักแต่การหาความสุขจากการทำทำทานอย่างเดียวถวายข้าวของสิ่งของต่างๆเงินทอง ซื้อสร้างโบสถ์สร้างเจดีหล่อพระอันนี้เป็นความสุขระดับถ้าเป็นเงินก็เงินเหรียญเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบบาทยังไม่ได้เข้าสู่ความสุขระดับธนบัตรระดับธนบัตรใบละ 20, 50, บยี่สิบห้าสิบใบละร้อย แบบละห้าร้อยแบละพันเนี่อันนี้ยังได้แต่ความสุขแบบเงินเหรียญอยู่เหรียญบาทเหรียญสองบาทเหรียญสิบบาทได้ทีละเล็กทีละน้อยถ้าอยากจะได้มากก็ต้องเพิ่มจากการทำทานเพิ่มโดยการรักษาศีลเอถ้ารักษาศีลก็จะได้เงิน ธนบัตรใบละยี่สิบถ้าศีน่าห้าก็ใบละยี่สิบถ้าศีนาแปก็ใบละห้าสิบใบละร้อยแล้วถ้าอยากจะได้ใบละห้าร้อยก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบจะได้จะได้ความสุขระดับใบละห้าร้อย นะถ้าอยากจะได้ความสุขใบม่ละพันก็ต้องวิปัสสนาต้องเจริญปัญญาต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าไม่ใช่เป็นความสุข ได้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดได้เห็นว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไปอยากให้มันไม่เสื่อมไม่ดับก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทอง หรือเป็นบุคคลต่างๆนี่จะต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปมีการเปลี่ยนไปคนที่ฉลาดคนที่เห็นความจริงอันนี้ก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่อยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นสามีมาเป็นภรรยาเพราะไม่อยากจะได้ความทุกข์ เพราะสิ่งที่อยากได้มานี่มันต้องมีวันดับไปมีวันหมดไปมีวันเปลี่ยนไปเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของสมบัติชั่วคราวสักวันหนึ่งก็ต้องหมดไปหรือจากเราไปสามีภรรยาบางทีเขาแต่งงานกันได้ไม่กี่ปีเขาก็อย่าร้างกันไป บางทีก็ตายจากกันไปนี่แหละเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเรียกว่าอนิจจังไม่อยู่กับเราไปตลอดก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นของเราถ้าไปยึดไปติดไปคิดว่าเป็นของเราเวลาเขาจากเขาไปก็จะทุกข์จะเสียใจ ถ้าเห็นอย่างนี้ต่อไปจะไม่ต้องทุกขกับอะไรเพราะไปบวช ด, ดีกว่าไม่ต้องมีอะไรมีแล้วต้องทุกขกับสิ่งที่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันเเวลาได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานก็มีความสุขเวลาไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์แล้วสักวันหนึ่งก็จะดื่มไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ เพราะร่างกายแก่ลงไปก็จะไม่มีความสามารถที่จะดูจะฟังจะเดินจะรับประทานอะไรเหมือนกับตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเวลาที่ต้องทุกข์กับความสุขที่เคยเคยได้รับทางตาหูจมูกลิ่นกายเพราะว่า ตาหูจมูกลิ้งกายร่างกายไม่สามารถที่จะทาหน้าที่เอาความสุขเหล่านั้นมาให้กับใจได้แล้วพระุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนตัตตาไว้เพื่อเราจะได้หยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันหยุดหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ เพราะว่าเป็นความสุขชั่วคราวพอเราแก่เราเจ็บเราตายความสุขเหล่านี้ก็หมดไปใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเราหาความสุขทางใจที่เรียกว่าสุขใจจากการทำบุญทําทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาเราก็จะมีความสุขไปตลอด าะความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกเล่นกายถ้าไม่มีเงินก็ไม่ไม่เป็นปัญหาไม่ได้ทาทานก็ไม่เป็นปัญหาเพราะบุญที่ได้จากทาทานก็เหมือนเศษเงินน่เองเรารักษาเราหาบุญที่ที่ดีกว่าเศษเงินได้คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีล รักษาศีลห้ารักษาศีลแปดจะได้บุญมากกว่าทำเงินถวายเงินสลอพระสร้างโบสร้างเจดีย์เป็นน้อยเป็นพันเป็นเหมือนเป็นแสนรักษาศีลห้าข้อแปดข้อนี้กลับจะได้ความสุขมากกว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่เป็นปัญหาเลย ทานนี่มีไว้สำหรับคนมีเงินมีสตังให้เขาทำเพราะว่ามันเป็นของง่ายสำหรับเขามีสตังเยอะก็แบ่งมาทำบุญทำทานบ้างอย่างน้อยก็เขายัางได้เศษบุญได้ได้ได้บุญในระดับเงนินเงินบาทเงินห้าเงินสิบเงินเหรียญ แต่ถ้าเขาอยากจะได้บุญระดับสูงกันนั้นเงินทองที่เขามีอยู่ก็ไม่สามารถที่จะอะสร้างขึ้นมาได้เขาก็ต้องมารักษาศีลเหมือนกับคนที่ไม่มีเงินเนี่ยถ้าอยากจะได้บุญระดับใบธนบัตรใ บ, 10, 50, ใบละยี่สิบห้าสิบใบละร้อนี่ต้องมารักษาศีลกันศีลห้าแล้วก็ศีลแปด ถ้าถ้าอยากจะได้มากกว่า น, นั้นก็ศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเจ็ดบวชเป็นพระบวชเป็นเนนบวชเนนก็ศีลสิบบวชเป็นพระก็ศีลสองร้อยยี่บเจ็ดผู้หญิงอยากจะบวชก็บวชได้ด้วยการรักษาศีลของภิกษุณีอไม่ต้องใส่ไม่ต้องกนหัวผมผ้าเหลืองก็ได้เอ การเป็นพระนี้ไม่ได้เป็นพระที่ที่โกนหัวแล้วก็ห่มผ้าเหลืองอการเป็นพระนี้อยู่ที่การรักษาพระวินัยคือศีล227ข้ออผู้หญิงอยากจะเป็นภิกษุณีก็เป็นได้ด้วยการรักษาศีลของภิกษุณี300กว่าข้ อ, อก็เป็นภิกษุณีขึ้นมาแล้วไม่จําเป็นจะต้องออมี การบวชเป็นพิกษณีก่อนแล้วค่อยมารักษาอันนี้เป็นเครื่องแบบของคนรักษาศีลสามร้อยกว่าข้อหรือคนรักษาศีลสองร้อยกว่าข้อนี้เขาให้โกนหัวห่วมผ้าเหลืองจะได้เป็นเหมือนเครื่องแบบเหมือนเวลาเป็นทหารเป็นตำรวจเขาก็ให้ใส่ชุดทหารใส่ชุดตำรวจเพื่อคนอื่นจะได้รู้ว่านี่เป็นตำรวจนะนี่เป็นทหารนะ มันมีก็เหมือนกันคนที่รักษาศีลสองยิบเจ็ดข้อเขาก็บอกให้โกนหัวให้ห่มผ้าเหลืองอผู้หญิงที่รักษาศีลแปดรักษาศีลสิบเขาก็ให้โคนศีรษะแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวเราก็เรียกว่าแม่ชีสมัยนี้เขาไม่นิยมเพราะผู้หญิงไม่ได้นิยมโกนหัวห่มเหลืองกันเพราะไม่มีการไม่มีการทํากันมา ไม่มีใครพาทากันแต่ยังอยากจะเป็นภิกษุณีก็เป็นได้เพราะความเป็นภิกษุณีจริงๆไม่ได้อยู่ที่การโกนหัวห่มผ้าเหลืองอแต่อยู่ที่การรักษาศีลสามร้อยกว่าข้อนี้การรักษาศีลสามร้อยกว่าข้อได้ก็ถือว่าเป็นภิกษุณีได้การเป็นภิกษุณีนี้หรือเป็นพระภิกษุนี้ ไม่ได้อยู่ไม่ไม่ได้เป็นเพื่อให้คนอื่นเขามาเคารพนับถือเราการเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุนี้เป็นเพื่อรักษาศีลเป็นเพื่อสร้างความสุขที่ได้จากการรักษาศีลเหมือนกับการทําบุญทําทานทำเพื่อให้ได้รับความสุขทางใจเล้น ญาติโยมที่เป็นผู้หญิงไม่ต้องน้อย อ, อกน้อยใจเห็นผู้ชายอกอนหัวห่วมผ้าเหลืองได้แต่ตอนเองกอนเหรอห่มผ้าเหลืองไม่ได้เพราะอันนี้เป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมความนิยมของสังคมสังคมเราไม่นิยมให้ผู้หญิงกอนหัวแล้วห่วมห่มเหลืองอถ้าผู้หญิงจะกอนหัวก็ให้ห่ม่าวแตถ้ากนหัวแล้ว โกนหัวแล้วห่มขาวแต่รักษาสินสามร้อยกว่าข้อได้ก็ไม่ได้เป็นแม่ชีถ้าเป็นแม่ชีก็รรักษาเพียงแปดข้อรักษาสีลแปดหรือสีลสิบดังนั้นมันการจะมีสีนนี้ไม่ได้อยู่ที่การจะต้องโกนหัวห่วมผ้าเหลืองหรือผ้าขาวหรือไม่มันอยู่ที่ว่าเราจะห้ามการกระทา ในตามข้อห้ามต่างๆได้หรือไม่ถ้าอยากจะรู้ว่าภิกษุณีมีศีลกี่ข้อก็ไปเปิดในพระวินัยปิดดกดูนะพระไตรปิฎกมีแบ่งไว้สมเป็นสามปิดดกด้วยกันปิดดกแปลว่าตากา้าคาสอนของพระเจ้านี้แบ่งไว้สมตาก้าด้วยกันตาก้าหนึ่งเรียกว่าวินัยปิดดก จะเป็นคำสอนเกี่ยวกับศีลของพระภิกษุของพระภิกษุณีจะเล่าถึงที่มาที่ไปของศีลแต่ละข้อว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรข้อห้ามแต่ละข้อนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วทำไมต้องรักษาถ้าเราอยากจะเป็นภิกษุณีเราก็โกนหัวหุงขาวไปก็ได้แล้วเราก็ไปศึกษาดูว่า ศีลของเพ็กษูนีมีอยู่กี่ข้อเราก็รักษาไปคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเขารู้ก็ไม่ได้ทำให้ความสุขที่ได้จากการรักษาศีลมันมากขึ้นเขาไม่รู้ก็ไม่ได้ทำให้ความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลมันมน้อยลง ความสุขที่จะได้จากการรักษาศีลมากหรือน้อยอยู่ที่การรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลได้มากเราก็จะมีความสุขมากถ้าเรารักษาศีลได้น้อยเราก็จะมีความสุขน้อยนี่คือหลักเรื่องของอาการเป็นนักบวชการเป็นผู้รักษาศีลไม่จำเป็นว่าจะต้องอมี ผู้อื่นเขารับรองสมัยที่พระเจ้าบวชพระให้นี้มีพระเจ้ารับรองเพียงองค์เดียวก็พอใครอยากจะบวชเป็นพระก็พระเจ้าก็บอกยงมาเป็นภิกษุเถิดแค่นี้ก็ถือว่าเป็นพระแล้วเป็นภิกษุแล้วสมัยแรกๆนี้ภิกษุไม่มีพระวินัยไม่มีศีลเลยไม่มีข้อห้ามเลยเพราะว่า ภิกษุเหล่านั้นเป็นพาาาระอรหันต์ทั้งนั้นพระอรหันต์นี้ท่านรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วการกระทำของท่านจึงเป็นการกระทาที่ถูกไม่มีการกระทำอะไรที่ผิดที่เกิดความเสียหายกับตนเองหรือกับผู้อื่นต่อมาเมื่อมีคนรู้จักพุทธศาสนามากขึ้น แล้วก็เกิดศรัทธาอยากจะบวชแต่ยังไม่ได้เป็นพระอารหันต์กันพอมาบวชแล้วก็ทำตัวไม่เป็นไม่รู้ว่าพระอารหันต์นี้เขาทำตัวกันอย่างไรก็ไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายต่างๆพอชาวบ้านเห็นข้าก็มาฟ้องพระตจาว่าพระรูปนี้ทำไมทำอย่างนี้พระตจาก็เรียกมาไต่สวน มามาถามว่าถ้าททำอย่างนี้จริงไหมเช่นมีพระภิกษุรูปหนึ่งไปนอนกับอดีตภรรยาเพราะว่าบิดามารดาของพระอยากจะได้หลานมาสืบทอดมรดกเพราะว่าตัวพระนี่มาบวชเป็นลูกคนเดียวแต่พ่อแม่เป็นเศรษฐีตายไป กลัวจะไม่มีใครมารับทรัพย์สมบัติเพราะลูกชายมาบวชก็เลยให้ภรรยาเก่าวเนี้ยมานอนด้วยเพื่อจะได้มีหลานเอแล้วจะได้มอบสมบัติให้กับหลานเอพระตอนพระก็ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทําเพราะตอนนั้นไม่มีข้อห้ามเพราะไม่มีใครทํากันเออ พาหลานท่านไม่ไปนอนกับใครเอท่านไม่มีความหิวความอยากที่อยากจะนอนกับใครอพราร่วมนี้ท่านก็ไม่มีเองแต่ว่าท่านคิดว่าทําเพื่อพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่ได้มีหลานเพื่อที่จะได้มอบทรัพย์สมบัติให้กับหลานไปแต่พอทําไปแล้วก็มีความไม่สบายใจแทนที่จะมีความสุขใจ กลับมีความไม่สบายใจก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างนี้ถูกไหมพระพุทธเจ้าก็บอกทำไม่ถูกเป็นนักบวชไม่ต้องไม่เศษกรมต้องไม่หาความสุขทางร่างกายต้องหาความสุขทางใจทางการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าก็เลยห้ามาต่อไปนี้ พระห้ามนอนกับนอนหลับกับศีกาเอร่วมหลับนอนกับศีกาถ้าหลับกับศีการ่วมหลับนอนกับศีกาก็ถือว่าไม่ใช่เป็นพระแล้วขาดจากการเป็นพระทันทีไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ตัวพระเองนั้นรู้อยู่แก่ใจถ้าอยู่ไปก็อยู่แบบหลอกคนอื่นเขาไปว่าตนเองเป็นพระ แต่ความจริงตนไม่ได้เป็นพระแล้วเพราะไปเสกเมถุนแไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นนี่ก็เลยเป็นที่มาของศีลของพระจากนั้นก็มีพระรูปนั้นไปทําอย่างนั้นไปทําอย่างนี้ก็มีคนมาฟ้องบ้างมีคนมาบางทีพระเองก็ทำไปแล้วไม่รู้ผิดหรือถูกก็มาถาม อวุธเจ้าก็ต้องเป็นคนตัดสินว่าอย่างนี้ถูกแล้วไม่ถูกผิดแล้อไม่ผิดถ้าผิดก็ห้ามทำจากการที่ไม่มีสีนเลยก็ต้องเป็นสินก็ห้ามไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็มีถึงสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อเลยกันที่มาที่ไปของสีนของพระเป็นอย่างนี้แต่สีนจริงๆของพระก็มีแค่สี่ข้อเท่านั้น เหมือนกับสี่ห้าของญาติโยมคือเนี่ยข้อที่หนึ่งก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นของญาติโยมก็ไม่ให้ไปพูดผิดประเวณีไม่ให้ไปหลับนอนกับสามีภรรยาของผู้อื่นก็คล้ายๆกันข้อที่สองไม่ให้ฆ่าอห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของพระก็ไม่ให้ฆ่ามนุษย์ถ้าฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยนี่ยังไม่ ยังไม่ขาดจากการเป็นพระแต่ก็ผิดเหมือนกันแต่ไม่โทษไม่หนักเหมือนกับการฆ่ามนุษย์แล้วก็ห้ามลักทรัพ ย, ย์ก็เหมือนกันญาตยโยมก็ห้ามลักทรัพย์เหมือนกันไม่เอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตมาเป็นของสมบัติของเราแล้วก็ห้ามโกหกหลอกลวงของพระก็ห้ามอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตัว ไม่มีในตนเช่นอวยว่าได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วได้ฌานขั้นนั้นฌานขั้นนี้ได้ตาทิพย์ได้หูทิพย์นะทั้งๆ ท, ที่ไม่มีในตัวเองถ้ามีนี่ไม่ถือว่าโกหกหลอกลวงเช่นพระอารหันต์ถ้าท่านจะบอกว่าท่านเป็นพระอารหรนันต์นี้ไม่ได้โกหกหลอกลวงใครท่านพูดตามความเป็นจริง แต่สมัยนี้ไม่ค่อยกล้าพูดกันเพราะพูดแล้วไม่รู้จะมีใครมารับรองหรือไม่สมัยพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้ารับรองอยู่ออองค์นี้เป็นพระอาหารหันต์อง์นี้ไม่ใช่เป็นพระอาหารหันต์สมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามารับรองถ้าใครพูดออกมาเดี๋ยวก็คนก็จะสงสัยได้คนเชื่อก็จะเชื่อคนไม่เชื่อก็จะไม่เชื่อ คนที่ไม่เชื่อก็จะกล่าวโทษว่าโกหกหลอกลวงก็จะจับศึกได้ถูกจับศึกได้เห็นสมัยนี้ถึงแม้เป็นพนระอรหันก็ไม่กล้าพูดว่าเป็นพนรอะอรหันต์เดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวก็ชาวบ้านเขาคอมเมนต์ขี้หน้าเขาไม่เชื่อเขาก็จะตู่กล่าวหาว่าโกหกหลอกลวงได้ นี่ก็พูดถึงเรื่องความสุขในระดับศีลถ้าเรารักษาศีลได้แล้วใจเราจะเย็ยนกว่าคนที่ไม่ได้รักษาศีลคิดดูระหวังการฆ่ากับการไม่ฆ่านี้จิตใจของใครจะดีกว่ากันเวลาไปฆ่าคนอื่นไปฆ่าสัตว์อื่นนะั้นใจเราสบายไหมเวลาที่เราไม่ฆ่านี้อันไหนจะดีกว่ากันเวลาที่เรารักทรัพย์กับไม่ลักทรัพย์นี่ใจของเราอันไหนจะดีกว่ากัน เวลาที่เราประพฤติผิดประเวณีกับไม่ประพฤติผิดประเวณีใจของเราจะรู้สึกอย่างไรเวลาที่เราโกหกหลอกลวงกับไม่โกหกหลอกลวงนี้ใจจะมีความรู้สึกอย่างไรสุขหรือทุกข์ถ้าโกหกหลอกลวงนี้มันไม่มันไม่เป็นสุขแล้วมันทุกข์มันหวาดระแวงหวาดกลัวกลัวเขาจะจับได้จับเราว่าเราโกหกหลอกลวง นี่คือความสุขทางใจที่เกิดจากการรักษาศีลไม่ต้องมีเงินมีทองก็หาความสุขใจแบบนี้ได้และเป็นความสุขใจที่ดีกว่าความสุขใจที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองไปทาบุญทำทานอีกทำบุญร้อยล้านพันล้านก็สู้รักษาศีลไม่ได้อา น, นิสงส์ของการรักษาศีลก็ดีกว่าการทําทาน นอกจากมีความสุขใจแล้วคนรักษาศีลตายไปนี้ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่คนที่ทําบุญทําทานหล่อพระสร้างโบสถ์สร้างเจดี JD, ถ้ายังไปยังรักษาศีลห้าไม่ได้เนี่ยตายไปยังไปเกิดนิบายได้อยู่ถ้าอยากจะไปสวรรค์นี้ต้องทำสองอย่างทําบุญทําทานแล้วก็ต้องรักษาศีลห้า ถึงจะไปสวรรค์ได้ทาทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลไปไม่ได้ทาทานแล้วไปทำบาปต้องไปใช้บาปก่อนอบุญที่ได้จากการทำบาบาททำทานนี้ต้องรอไว้ก่อนรอตอนที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมารับผลของบุญที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติทำมากก็กลับมาก็จะร่ารวยมากมทำน้อยก็จะร่ารวยน้อย นี่เป็นอนิสงค์ของทานจากการให้ถ้าอยากจะไปสวรรค์ตายแล้วไปสวรรค์ก็ทำทานกับหอหรือไม่ทำทานก็ได้ขอให้รักษาศีล อ, อ๋ อ, อถ้ารักษาศีลอย่างเดียวไม่ทำทานก็ไปสวรรค์ไม่ได้เหมือนกันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไปอบายไม่ไปสวรรค์ก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ ก, กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมไม่รวยกว่าเดิมไม่จนกว่าเดิมเพราะไม่ได้ทําบุญไม่ได้ทําทานเพียงแต่รักษาศีลอย่างเดียวถ้าอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์ที่รวยกว่าเก่าแล้วอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องทําทานกับรักษาศีลถ้าทําทานด้วยรักษาศีลด้วยตายไปก็ไปเป็นเทวดาก่อนแล้วพอบุญที่เกิดจากการ ไปเป็นเทวดาหมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเดิมชาตินี้เป็นเศรษฐีระดับล้านชาติหน้ากลับมาเป็นเศรษฐีระดับร้อยล้านก็ได้อันนี้เป็นอนิสง์นอกจากความสุขใจที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำยังมีอนิสง์ที่จะตามมาต่อไปในอนาคต หลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วก็จะได้เป็นเทศบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์สูงกว่าชั้นเทศก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะไปขึ้นไปสวรรค์ชั้นพรมทำทานรักษาศีลแปดแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยก็จะได้สวรรค์ชั้นพรม สวรรค์ชั้นเทพนี้ทําทานรักษาสินห้าก็ได้แล้วราคาไม่เหมือนกันเหมือนขึ้นเครื่องบินเนี่ยมีชั้นหนึ่งชั้นสองอยากจะนั่งชั้นหนึ่งก็ต้องซื้อตั๋วที่แพงหน่อยถ้าอยากจะนั่งชั้นสองก็ซื้อตั๋วที่ถูกหน่อยแต่บริการไม่เหมือนกันชั้นหนึ่งนี่มีอาหารมีเครื่องดื่มมีอะไรเต็มไปหมด ชั้นสองก็อาจจะมีนิดๆหน่อยพอหอมปากหอมคอถ้าชั้นประหยัดก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่เก้าอี้นั่งอย่างเดียว <c oughs> นี่คือเรื่องของการทำบุญทำทานรักษาศีลก็เหมือนกับการตีตั๋วขึ้นเครื่องเนี่ยจะขึ้นเครื่องชั้นไหนก็ได้เลือกเอาถ้าอยากจะไปแค่กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิม ก็เหมือนกับซื้อตั๋วถูกก็รักษาศีลห้าอย่างเดียวก็พอมีเงินเสียดายเงินหัวเงินไม่อยากจะทําบุญทําทานก็ไม่ไม่มีใครว่าอะไรไม่ทําก็ได้ถ้าไม่อยากจะไปอบายก็ให้รักษาศีลห้าตายไปก็ไม่ต้องไปอบายแต่ก็ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปท่องเที่ยวตายก็ตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ มาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมเคยมีเคยมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็จะมีมากมีน้อยเท่านั้นต่อไปเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรให้มากขึ้นไม่ได้ไม่ได้เติมบุญไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำทานถ้าทำทานด้วยรักษาศีลด้วยเนี่ยก่อนจะกลับมาเป็นมนุษย์ก็ได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนไปดูไปดูไปเที่ยวในโลกทริป ถ้าทำมากก็ไปสวรรค์ชั้นสูงกว่าถ้าทำน้อยก็ลงมาไปสวรรค์ชั้นต่ำกว่าเหมือนไปเที่ยวเนี่ยถ้ามีเงินมากก็ไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวอเมริกาได้ถ้ามีเงินน้อยก็ไปเที่ยวสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ถ้ามีมากกว่านั้นก็ไปเกาหลีไปญี่ปุ่นอันนี้ก็เหมือนกันทำบุญมากก็ ไปได้ไปขึ้นสวรรค์ชั้นเทพที่สูงกว่าได้า <c oughs> ำบุญน้อยก็ไปเป็นเทพชั้นต่ำเป็นลูกคะเทพก็ได้เป็นเทพอยู่ตามต้นไม้ไม่ใช่เป็นเทพที่อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตโรงแรมดุสิตทาง น, นี้เขายังเอาชื่อชื่อสวรรค์มาตั้งเลยห้าดาวชั้นห้าดาว นี่ก็คือเรื่องของอการหาความสุขทางใจที่มีหลายระดับด้วยกันะระดับสูงจากชั้นเทพก็ระดับชั้นพรมะจะไปสวรรค์ชั้นพรมได้ในศะินสินห้าก็ไม่พอละต้องถือสินแปดอย่างวันพระนี่ปกติถ้าเคยถือศินห้าวันพระนี่ให้มาถือศินแปดแล้วก็มาเปลี่ยนจากการเป็นเทพมาเป็นพรม เป็นพรมพก็คือวันพระนี้หยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหนึ่งวันหยุดนอนกับภรรยาหยุดนอนกับสามีหนึ่งคืนหยุดหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับรับเพื่อให้นั่งกายอยู่ได้ก็พอรับประทานพอเยียวยาร่างกายไม่รับประทานมากไม่รับประทานอาหารข่าม หลังจากเที่ยงวันก็ไม่รับประทานอาหารแล้วแล้วก็หยุดการหาความสุขจากการบันเทิงต่างๆมอหอลสพบันเทิงไม่ไปท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงงานแต่งงานงานวันเกิดงานอะไรต่างๆที่มีแสงสีเสียงกล่อมใจให้ไปอยู่ที่เงีเงยบๆ ไปหาความสงบแล้วก็ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบวิธีจะทำใจให้สงบก็ต้องสร้างสติขึ้นมาสตินี้เป็นเหมือนเบรกลถยนต์ใจนี้เป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งแบบไม่มีเบรคใจของพวกเรานี้คิดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสงบเลยไม่เคยรู้จักคำว่าสมาธิเป็นยังไงเลย เพราะไม่มีเบรกที่จะหยุดมันนั่นเองแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าเวลารถหยุดนี้เป็นอย่างไรเราก็ต้องแตะเบรกเพอาแตะเบรกรถที่วิ่งอยู่ก็ต้องหยุดอพอหยุดแล้วเราจะรู้สึกว่าคนขับสบายกว่าตอนที่ขับเวลาเบรกรถจอดแล้วอยากจะนอนก็นอนได้แต่เวลารถยังวิ่งอยู่นี้อยากจะนอนก็นอนไม่ได้ ก็ต้องคอยควบคุมรถยนต์ไม่งั้นเดี๋ยวแหกโคง้งหรือไม่งั้นก็ต้องไปชนกับรถคันอื่นใจของเราก็เหมือนกันใจของเราไม่มีความสงบเพราะว่าไม่มีเบรกคิดอยู่เรื่อยทั้งวันทั้งคืนเวลานอนหลับก็ยังคิดอยู่โผ ค, ความคิดนี้ตอนนอนหลับก็เป็นความฝันได้ถ้าอยากจะหยุดความคิด แล้วได้รับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้ต้องสร้างสติต้องสร้างเบรกขึ้นมาวิธีจะสร้างเบรกก็คือให้ลึกให้เราลึกถึงพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเรา ล, ลึกถึงพุทโธพุทโธไปเราจะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไม่เชื่อลองทำดูเลยถ้าตอนนี้กำลังคิดว่าจะหาเงินที่ไหนดีพอมาพุทโธพุทโธนี้ มันจะคิดไปหาเงินไม่ได้นละถ้ามันจะคิดไปหาเงินก็แสดงว่าพุโทโธไม่มีกำลังพอที่จะเดินรวยก็ต้องพยายามทำพุโทโธบ่อยๆทำพุโทโธอยู่เรื่อยๆเรานึกถึงพุโทโธอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปพุโทโธจะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะหยุดความคิดได้พอความคิดหยุดแล้วก็จะมีความสุข ที่เกิดจากความสงบที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขใดที่มีความยิ่งใหญ่เท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบถ้าได้ความสงบอันนี้ได้ความสุขอันนี้แล้ว ต่ไม่อยากได้อะไรในโลกนี้เพราะเหมือนได้รถเบนซ์ถ้ามีรถเบนซ์นนะไม่อยากจะขับรถยี่ห้อนนะอื่นแล้ววิธีที่จะรักษารถเบนซ์ น, นี้รักษาความสงบนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเพราะเวลาออกจากสมาธิมานี้ถ้าไม่มีปัญญาเดี๋ยวความอยากมันยังจะโผล่ขึ้นมาอยู่ความอยาก หาความสุขทางต า, งางหูจมูกเล่นกายมันจะโผล่ขึ้นมาถ้าเราไม่มีปัญญามาเตือนเราว่าความสุขแบบนี้ไม่ดีนะความสุขแบบนี้เป็นความสุขแบบยาเสพติดคนที่ไม่เสพยาเสพติดนี้สบายกว่าคนที่ติดยาเสพติดเพราะถ้าติดยาเสพติดแล้วก็ต้องหามาเสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะทุกข์ทรมานมาก แล้วถ้าเสพมากๆเดี๋ยวก็ต้องตายนี่คือการสอนสอนให้ใจกับให้อยู่กับความสงบอย่าไปอยู่กับความอยากเพราะอยู่กับความอยากแล้วความสงบจะหายไปความทุกข์จะปรากฏขึ้นมานี่คือปัญญาที่เราต้องพิจารณาถ้าเรามีปัญญาเราก็จะขยับขึ้นจากสวรรค์ชั้นพรมไปสู่ สวรรค์ พ, พระอริยเจ้าขึ้นไปเป็นพระโสดาบันได้พระโสดาบันก็พิจารณาว่าร่างกายนี้ยึดติดไม่ได้พึ่งพาอาศัยร่างกายนี้ไม่ได้ร่างกายนี้ไม่เที่ยงถ้าไปพึ่งร่างกายเวลาที่มันแก่เจ็บตายจะพึ่งไม่ได้ให้อย่าไปพึ่งร่างกายอย่าไปยึดไปติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรา ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเป็นของสับเปล่ อ, อเวลาตายนี้ร่างกายตายนี้ไม่ไม่มีใครเก็บเอาไว้พ่อแม่ยังไม่เก็บเอาไว้เลย อ, อย่าว่าแต่สามีหรือภรรยาไม่มีใครเก็บร่างกายนี้ไวนะ้นเวลาไม่หายใจมอบให้สับเปร่านั่นแหละเป็นของสับเปล่อไม่ใช่ของเรา อย่าไปยึดอย่าไปติดนันเพราะเวลาสับเหลือมาเอานี่เราจะทุกข์มากถ้าเราไม่ยอมให้มันไปถ้าเรารู้ว่าเป็นของสับเปลือกพอสับเปลือมาเอาเราก็คืนเข้าไปเหมือนเราไปยืมหม้อยืมชามของเพื่อนบ้านมาพอเขาจะมาทวงคืนเราก็คืนเข้าไปเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราลืมไปคิดว่าเป็นของเราพอเขามาทวงเราไม่ยอมให้พอเขาเอาตำรวจมา บังคับให้เราให้เราก็จะทุกข์จะเสียดายเพราะเราไปคิดว่าเป็นของเราเสียแล้วนั้นอย่าไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราให้คิดว่าเป็นของสรปพาเลยเดี๋ยวสักวันหนึ่งสรปพาเลยก็จะมารับไปถ้าเราไม่ยึดไม่ติดว่าเป็นของเราไม่ไปพึ่งร่างกายเราก็จะไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนเพาตอนนี้เรายัางต้องพึ่งร่างกายอยู่ ยังยังต้องอาศัยร่างกายหาความสุขให้กับเราซึ่งเป็นความสุขปลอมความสุขที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนี้เป็นความสุขปลอมความสุขจริงต้องเป็นความสุขจากการทาทานรักษาศีลภาวนาถ้าเราทำทานรักษาศีลภาวนาได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายเราก็จะขึ้นไปสู่สวรรค์ของพระสุดาบันได พระโสดาบันละร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่านั้นก็ต้องละการมาลมให้ได้พระโสดาบันนี้ยังละการมารมไม่ได้ยังมีสามียังอยากมีสามียังอยากมีภรรยาอยู่แต่การมีสามีการมีภรรยามันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเพราะเดี๋ยวก็ต้องจากกันแล้ว อยู่ด้วยกันไปไม่นานเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันหรือว่าเบื่อกันก็แยกทางกันไปอยู่เฮ้ยต้องพิจารณาร่างกายของสามีร่างกายของภรรยาว่าไม่สวยไม่งามอย่าไปดูตอนที่มันสวยมันงามดูตอนที่มันไม่สวยไม่งามดูตอนแก่ดูตอนเจ็บไข้ได้ป่วยดูตอนตายหรือดูดูเข้าไปข้างในดูไป ดูเข้าไปใต้ผิวหนังหรือว่าร่างกายใต้ผิวหนังนี่มีอะไรบ้างมีอาการเยอะแยะไปหมดส่วนที่เราเห็นนี่เป็นเพียงส่วนย่อยนะร่างกายเรา เ, เราเห็นแค่ห้าส่วนเท่นเองเห็นผมขนเล็บฟันหนังนั่นเองแต่เนื้อเอ็นกระดูกนี่มองไม่เห็นเนื้อมองไม่เห็นเอ็นมองไม่เห็นกระดูกมองไม่เห็นตับไตไส้พุงปอดหัวใจม้า ลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยมองไม่เห็นกันมีอยู่ในร่างกายเราถ้าเห็นแล้วมันจะไม่คิดว่าจะว่าสวยว่างามต้องทำหนังของเราให้เป็นเหมือนถุงพลาสติกให้ได้ใสๆเวลามองร่างกายจะได้เห็นทะลุเข้าไปข้างในเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นกระโหลกศีรษะเห็นโคองกระดูก ถ้เห็นร่างกายแบบนี้แล้วมันก็จะไม่มีการอารมณ์มันก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีได้ได้เป็นได้ขึ้นสวรรค์ชั้นพระอนาคามีแล้วถ้าอยากจะขึ้นสวรรค์ชั้นพระอาหารหันต์ก็ต้องละอัตตาตัวตนการถือตัวว่าตัวเราสูงกว่าคนนั้นต่ำกว่าคนนี้เท่าคนนั้น อันนี้เป็นความหลงความจริงเราเท่ากันหมดเรามีใจเหมือนกันหมดมีร่างกายเหมือนกันหมดร่างกายของเรากับร่างกายของเขานี้เหมือนกันไม่มีสูงไม่มีต่ำมีอาการ32เหมือนกันเวลาหมอรักษาหมอเ็าไม่ได้เลือกว่าร่างกายนี้สูงกับร่างกายนั้นโรคเหมือนกันโรคของร่างกายเหมือนกันทุกคน ที่เราว่าเขาสูงเขาต่ำนี่เราไปสมมุติกันเองโดยการอาศัยเครื่องวัดต่างเช่นถ้ามีเงินมากเราก็ว่าเขาสูงกว่าคนที่มีเงินน้อยถ้ามียศตำแหน่งสูงกว่าก็ถือว่าสูงกว่าอันนี้เป็นเครื่องวัดปลอมไม่ใช่เครื่องวัดจริงเครื่องวัดจริงแล้วมอนเหมือนกันหมดมีความมีใจก็เหมือนกันใจก็รู้สึกนึกคิดเหมือนกัน ร่างกายก็มีอาการสาสสองเหมือนกันคนที่รู้ความจริงจะไม่ถือตัวจะไม่ถือว่าตนสูงกว่าเท่ากว่าหรือต่ำกว่าจะรู้ว่าไม่มีตัวตนตัวตนเป็นเพียงแต่ตัวสมมุติที่ใจสมมุติขึ้นมาเองสมมติว่าใจเป็นเราแล้วคนอื่นเป็นเขาเท่านั้นเองแต่ความจริงเขากับเรานี่เหมือนกันทุกอย่างเหมือนฝาแฝด ถ้าเราดูร่างกายของเรานี่เรามีส่วนเหมือนมากกว่าส่วนไม่เหมือนแต่เราก็ไปดูส่วนไม่เหมือนแล้วเราก็เลยไปแยกกันว่ามันไม่เหมือนกันแต่ถ้ามาเปรียบเทียบแล้วส่วนที่ไม่เหมือนมีนิดเดียวนั่นเองส่วนที่เหมือนกันที่มีมากกว่าถ้าพิจารณาเห็นว่าไม่มีใครแตกต่าง ก, ากันเท่ากันหมดไม่ถือเนื้อถือตัว มันก็ไม่หลงกับอความสงบไม่ยึดไม่ติดกับความสุขที่ได้จากความสงบอเพราะความสงบนี้ยังเป็นความสงบที่ไม่ถาวร อ, อความสุขไม่ถาวรถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์ก็จะหลุดพ้นได้นี่คือเรื่องของสวรรค์ชั้นต่างๆเออ ถ้าหลุดพ้นก็ได้สวรรค์ชัน้นนิพพานเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมเป็นบร ม, มสุขบรลมังสุขขังนี่คือวิธีการหาบุญของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาทำบุญเราต้องหาบุญแบบนี้กันหาความสุขแบบนี้กันเราไม่ได้มาหาราบยศสรรเสริญกันเราคนคิดว่าหล่อพระแล้ว ทำ ม, มาค้าขายรุ่งเรืองได้ก้าวหน้าในลาบยศสรรเสริญอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการเจริญลาบยศสรรเสริญนี่มันเจริญได้หลายวิธีไปโกงเขาก็เจริญได้ไป ป, ไปป้นธนาคารก็เจริญได้ทำบุญก็เจริญได้เหมือนกันมันไม่แน่นอนบางคนก็ผ่านทำบุญแล้วไม่เจริญก็เลยททษว่าทำบุญแล้วไม่ได้บุญ ก็ไม่อยากจะทำกันคนทำบาปกับได้บุญกับได้ผลอันนี้เป็นความเข้าใจผิดถ้าอยากจะวัดผลบุญผลบาปต้องวัดที่ใจอย่าไปวัดที่ลาบยศสารแสญเพราะลาบยศส็รแสงนี้จเจริญได้หลายวิธีจเจริญจากการทำบุญก็มีเช่นคนที่ทำบุญเยอะๆตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็มาเกิดเป็นลูกคนรวยได้ แล้วเกิดมาแล้วร่ำรวยได้คนที่ไม่ได้ทําบุญกลับมาเกิดยากจนก็ไปโป้นไปจี้ไปโกงก็รวยได้เหมือนกันหรือไม่โป้นไม่จี้แต่ขยันทํามาหากินหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองไว้ไม่นานก็รวยได้เหมือนกันดังนั้นเราอย่าไปวัดราบยศดเสริญสุขเป็นเครื่องวัดของการทําบุญหรือของการทําบาปต้องวัดที่ใจ ว่าใจสุขหรือใจทุกข์อันนั้นแหละเป็นตัววัดถ้าทําบุญแล้วรับรองไนดะ้ใจจะต้องสุขอย่างแน่นอนถ้าทํำบาปแล้วรับรองไนดะ้ว่าใจจะต้องทุกข์อย่างแน่นอนเขาให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่หลงทางกันทําบุญจะได้ไม่ท้อแท้เวลาทำแล้วไม่รวยจะได้ไม่ท้อแท้เวลาทำบุญแล้วไม่ได้เลื่อนตําแหน่งก็อย่าไม่ท้อแท้ไม่เสียใจน ทำบุญแล้วมีความสุขจะมีความสุขก็ต้องทําด้วยความบริสุทธิ์ใจทําแล้วไม่หวังอะไรเป็นผลตอบแทนไม่ใช่ทําแล้วต้องปะชื่อเราไว้ที่ตรงนั้นปะไว้ตรงนี้เดีย๋ยวถ้าเกิดไม่ปะขึ้นมาก็เสียใจอีกหรือปะแล้วคนอื่นมาถอดออกก็เสียใจอีกทำแล้วไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนแม้แต่ขอบใจก็ไม่ต้องการ แม้แต่การให้พรของพระก็ไม่ต้องให้ก็ได้ให้แล้วมันได้อะไรมันก็แค่ลมปากทนะ่านนั้นเองอายุวันโนสุขขังพลังถ้าให้ถ้าให้ได้ก็ไม่ต้องทําบุญ้เสียเวลามานั่งขอให้พระเออให้พรก็พอแล้วอันนี้ไม่ใช่พระก็ให้ไปตามธรรมเนียมเหมือนคนเวลาเอาข้าวของมาให้เราก็ขอบอกขอบใจเขาเท่านั้นเองแต่มันไม่ผลไม่ได้ ผลมันไม่เกิดจากการอขอบอกขอบใจของการให้พรของคนที่เขารับของจากเราหรอกใช่ไหมเวลาเราไปเอาไปงานมันเกิดของคนนั่นคนนี้เอาเข้าวของไปให้เขาเขาบอกเออขอให้คุณจงเจริญนะมันก็พูดไปอย่างนั้นเองแต่เลยไม่เจริญอยู่ที่การกระทําของเราทําบุญเจริญนี่นี่ทำบาบนี้เสื่อมนี่น่า ไม่ต้องมีคนมาให้พรหรือไม่ต้องให้มีคนมาสาบแช่งทาบาปแล้วไม่มีคนสาบแช่งมันก็เสื่อมออเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะได้ไม่เสียใจเวลาทำบุญแล้วบางทีพระลืมให้พรไปล้วไม่ต้องเสียใจก็ทำบุญวันนี้ไม่ได้พรคงไม่ได้บุญแน่ได้ไปแล้วบุญอยู่ในใจบุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปัน ต้องยินดีถึงจะได้บุญมากถ้าไม่ยินดีก็ได้บุญน้อยแม้แต่เสียภาษีก็ได้บุญถ้าคิดว่าทำบุญกับประเทศชาติไปใช่ไหมแต่เราไม่คิดอย่างนั้นกันเสียภาษีนี้กลับไม่ได้บุญกังเพราะคิดว่าเป็นไม่ได้เป็นการทำบุญมันก็เป็นการทำบุญเราอยู่แผ่นดินเราอยู่ในแผ่นดินนี้ได้อย่างไร เราเจริญเติบโตเราร่ำเรารวยขึ้นมาก็ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เพราะแผ่นดินนี่เด้อที่ทําให้เราเจริญเติบโตขึ้นมาได้ร่ํำรวยได้แล้วก่อนการทดแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วยการเสียภาษีมันจะเสียหายตรงไห น, นใช่ไหมให้คิดอย่างนั้นเหมือนกับเราทําบุญกับวัดนี่ทำไมเราทําได้ทําไมทําบุญกับแผ่นดินทำไมเราจะทําไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เวลาจ่ายจ่ายภาษีเราก็จะมีความสุข ว่าเราคิดว่าเราได้ทําบุญแล้วอนี่ก็คือเรื่องของการมาทําบุญในวันนี้มีหลายระดับระดับทานระดับศีลระดับภาวนาระดับทานก็เป็นเหมือนเงินเหรียญบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทระดับศีลก็เป็นเงินยี่สิบห้าสิบร้อยระดับภาวนาก็ห้าร้อยทัน อยากจะได้ระดับไหนก็เลือกทำเอาเองก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาขาังเอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกาปติ อิติตังปัติตังตุ მ หังคิดปะเมวะสมิจโตสัพเโปุระเณตุสังกะปาจันโทปนะหะโสยถามณิโชติอะระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวะตวันตารโยสุขิทิคายุโกภะ พิวาทนสีลิธานิจังอุทาปจายนจโนจตารโธรรมะวะทานติอายุวโนสุขังภาลาังใครมาที่หลังอยากจะเอาอะไรเข้ามาประเคนถวายก็เข้ามาได้ใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบไปได้ตามมัตยาศัย ขอให้เอาไปอ่านนะแล้วอย่าเอาไปฝากคนนะเอาไปเฉพาะเราก็พออันนี้มีฝนต ก, กมั้งเก็เหมือนที่เอเดนเนอะ <c oughs> <c oughs> ก็เหมือนกันแหละที่ไหนไม่ตกว่างั้อยู่ใต้ฟ้าตกนานตกน้านก็ไปพักๆไป ก็เคยอยู่บ้านต่ามาปตูกว่าเกือบเก้าต้หลาตขึ้นพอ้อย่ปดสอหอนน้เยเท่าไหร่วะแต่ยังไม่เข้าเลยค่ะ1นึ่งแปดก็มาปั๊บซอยยี่สิบเอ็ดค่ะทำไมนั่นใหม่ๆตอนที่หนึ่งแนี่เงียบอ่ คนไมค่ ค, ค่อยฆ่าข้าวตัหลกาืดมากการโยนไปวันเดิมนี้ค่ะเพรว่าน้นงปู่ขาหลวงปู่ั้านหลวงตาไม่โกงเดดเลยแต่พอลวงปู่ป่า น, นตายนีวงปูข่ขาวตายก็เลยต้องมาลัาน่นตังหลวงตาไม่ไก็เลยเมื่อกลางเดดน้อยน้อ ย, ยไม่เดืมากหลังนี้ท่านทานจะไม่เดือดแน่เลย ไม่รู้เดี๋ยวดูเราก็ะตลสอนกันรองเงี้ยมกล้าเข้าแต่วันนี้ท่านดูก็สอนเนี่ยพูดจริงท่านสอนเราทําไม่ถูกท่านก็สอนที่เราไม่รู้เรามากักจะไปไปทําไม่ถูกมาจนกระทั่งมันเป็นเป็นคิดว่าเป็นของถูกไปพอไปทําล้วท่านมันก็บอกไม่ถูกทําไม่ถูก ผมใส่บาตไม่ใไม่ยอมถอดรองเท้านี้ท่านก็ตวาดเนาะเพระว่าถ้าปีนเพื่อนมันล้างได้นะแต่ใจเพื่อนนี่มันย่างลำยากเนี่ยคนฟังแล้วก็สะดุ้งคนที่ใส่ถุงเท้ามันจะก็เหมือนกันนะชก็ยังเหมือนกันอยู่ต้องถอดไม่มีอะไรเราะไม่มีอะไรรองเท้าเลยถุงมันก็ยังรองเท้าอยู่ ก็ยังถือว่าสูงกว่าคนที่ไม่ได้คนที่ไม่มีอะไรรองเท้าเรายังถือสูงจําอยู่เราถือว่าพระสูงกล่าโยมเพราะง้เวลานั่งพระต้องนั่งสูงกันเลยเพราะว่ามีอิต่างกันถ้ามือินมากกว่าโยมยมาทตัวเท่ากันไม่เหมะเวทำบุเวลาใส่บาก็ต้องไม่ยืนที่สูงกับพระ ต้องอยู่ยืนที่ต่ากับาพระเมื่อเท่ากับพระไม่ใส่รองเท้าท่านสอนไม่ได้ท่านว่าหละแต่บางทีเราไม่รู้เพราะพระพเกรงใจพระรู้อื่นท้งเกรงใจเราไม่กล้าบอกออย่อมอยากจะใส่รองเท้าสันงบ่ า, ายก็ใส่แต่เมตตาท่านท่านรักเร า, มาเมตตาเราท่านอยากจะให้เรารู้ผิดรู้ถูกท่านก็เลยต้องสอนเรา ท่าบอกท่านไม่เกรงใจคนท่านเกรงใจธรรมถ้าเกรงใจคนทําก็แหละถ้าเกรงใจก็ไม่กล้าบอกเพไม่บอกทําก็ไม่มีคนก็ไม่รู้ว่าทําเป็นอะไรอะไรเป็นสิ่งที่ถูกอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกก็จะไม่รู้ท่านก็เลยต้องบอกแล้วท่านก็คนที่คนที่กลัวท่านก็เลยไม่ไปทามือกับท่าน ตอนหลังท่านก็หงหดอะไรมั่งบอกแลบบ้วบอกบอกเท่าไหร่มันก็มีมาใหม่อยู่เรื่อยอันนี้ท่านก็มากขึ้นทุกวันทุกวันเรี่วแรงที่จะพูดมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆตอนหลังไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เหมือนน้องปูเล่ท่านไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะปูเล่ท่านเงียบท่านสอนแบบเงียบ น, นีได้ข่าวว่าท่านไปสร้างพิพิธภัณฑ์อยู่ใช่ไปร่วมไปร่วมมื อ, อ, อกับท่านหรือปล่ร่วมค่ะร่วมช่วยเอทุกคนแ้เอาแบบที่วสุทาวาสมาเลยแบบเดียวกับพิพธนนิธภัณฑ์หลงปู่มั่นนะงตาท่านสั่งไมให้สร้างเจดี่เราต้องสร้างพิพิธภัณฑ์หากทาไปสร้างเจดีที่อื่นท่านไม่ห้าม แต่ที่บ้านตานี้ท่านไม่อยากจะให้สร้างท่านอยากใช้ที่เราปฏิบัติสรางจะดีแล้วมันก็วุ่นวายมีการก่อสร้างสมัยที่ท่านอยู่ในหลวงจะขอสร้างบวชท่านยังไม่ให้ส่้านเพราะว่าการก่อสร้างเป็นงานยหญ่มีเสียงเงืกอนทุกคน รบกวนท่านเณที่อยู่ในวัดเราสร้างเสร็จก็เป็นทาราของท้านเณต้องมาคอยคอยกวาดคอยดูแลรักษาแล้วก็ไม่มีความจำจเป็นจะต้องใช้บุดมีสาระก็ใช้แทนบูญได้อะไรท่านเนไม่ทราบท่านบอกว่าสร้างพระดีกว่าสร้างบุญแต่ไม่ใช่หล่อพระนะสร้างพระไม่ใช่หล่อพรนะ <c oughs> ทางพระก็คือจับญาติโยมมาบวชกันนี่อย่ให้เป็นพ้ากันคันสั้นแค่นี้แหละอนแล้วีใครอยากจะถามอะไรบ้างไปปฏิบัติธรรมที่ไหนกันบ้างบ้านยังไม่สนใจสนใจ นอนพุโทโธพุโทโธอยู่นะทำใจให้สงบมีการได้ความสงบนีการได้เงินเป็นล้านล้านพันล้านะความสุขมันจากความสงบนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากเงินล้อยล้านทาาันล้านสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีความสงบนี่แหละของวิเศษของประเสริฐ ถ้าสงบเท้าวรก็เป็นเท่านิพผ่านไปถ้าสงบชั่วเทาวก็เป็นสมาธิไปต้องทำทั้งความสงบชั่วคราวไม่เป็นความสงบเท้าวรด้วยการตัดกิเลสกิเลสเป็นตัวทําลายความสงบถ้าไม่มีกิเลสแล้วความสงบก็จะไม่ถูกทําลายก็จะเป็นคําสงบที่ถ้าวรไปต้องพยายามพุโทโธพุโทโธให้มากๆบ่อยๆพุโทโธเนี่จะทำให้ใจสงบ ใจสงบแล้วก็ใช้ปัญญารักษาความสงบด้วยการฆ่าตัญหาฆ่ากิเลสอยากจะทำตามความโลภความอยากต่างๆต้องฝืนมันอยากจะเที่ยวก็ไม่เที่ยวอยากจะกินเมื่อก็ไม่กินเมื่อไม่ถึงเวลาอยากจะดูก็ไม่ดีอยากจะฟังก็ไม่ฟังแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดหมดแล้วก็จะมีความสงบไปตลอด ไม่ง่ายไม่ยากอยู่ที่เราจะทําไม่ทํานั่นเองมันยากเพราะเราไม่ทํำคนที่ก็าทำเขาก็ได้กันทั้งนั้นเอคนที่ไม่ทํามันก็ไม่ได้เราไม่ได้อยู่ที่ยากที่ง่ายมันอยู่ที่ทําหรือไม่ทําถ้าทํามันก็ง่ายถ้าไม่ทํามันก็ยากทําแค่สองนาทีก็หยุดแล้วแล้วก็ยากถ้าทําแบบไม่หยุดมันก็ง่าย เราพยายามทำเรื่อยๆเป็นยังไงปฏิบัติที่บ้านเซีมาไมไม่ได้มาแค่ดังแดดลูกก็ปฏิบัติที่บ้านทุกวันจ้ะคะป่วยกะทําม่ป่อยก็ทาช่วงนี้จะป่วยบ่อยจ้ะคะก็ที่ไหนท่นบอกที่นั่นก็เป็นวัดใช่ก็ดูเวทนาดูอะไรเรื่องของเราไปแล้วก็ก็ คิว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับแล้วก็คอยตรวจสอบตัวเองแล้วก็รู้อยู่ว่าเราท่องตรงไหนท่องสติท่องสมาธิเราก็คอยเติมของเราเราจ ะ, ะ, ะทำไปเพื่อดับความทุกข์ทำไปเพื่อความสบายใจนะถ้าอยู่ที่ไหนสบายใจก็ถืว่าใช้ได้ไดแล้วแล้วก็สา ม, มารถชีพก็เอาเท่าที่มันพอแล้วก็ เรารู้มากขึ้นมันจะหาในเรื่องของความพอมันจะพอได้ได้ได้ดีเพราะว่าเราก็เราก็จะทําอะไรก็พยายามพขควงดูเหตุผลมากกว่าปัญหาแต่ว่าก็พยายามลดมาแล้วจะคช่วงนี้ก็ถือเสี่ยงไปกันอีเสริมแล้วทำไปเรื่อยๆต้องพยายามต่อไปมันมันยากโดยเฉพาต่อไปเยื่ายๆต่อไปแล้วต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นไป ความพยายามอยู่ที่ไหนความจาเป็จอย่างนะี้นะแต่ก็ไม่ยอมแพ้แล้วก็ก็มีความไม่ได้ดั่งใจในในการปฏิบัติเพราะวา่าแบบบางทีบางทีกับเรื่องงานอะไรเข้ามาเนีย่ยอะไรแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรารู้ว่าอะไรมันสําคัญนะคือเราเอาให้ความสําคัญกับทางปฏิบัติมากขึ้นจังครับที่ปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลก็อย่าไปเสียใจอย่าไปอยากความอยากจะทําให้เราเสียใจได้ ขอให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆก็แล้วกันส่วนผลมันจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมนอนามาค้าขายบางวันก็ขายดีบางวันก็ขายไม่ดีมันจะให้มันขายดีทุกวันไม่ได้การปฏิบัติธรรมบัญญัติทให้มันได้ถึงทุกวันนี้ไม่ได้แตทําไปก้อยเราทำแล้วมันก็จะได้ได้มากได้น้อยก็ดีกว่าไม่ได้ก็พยายามวัดผลคือ แต่ ก, ก่อนนี่ยวัดเป็นลายครั้งแต่ตอนนี้ก็เอาภาพรวมแล้วกันปีนี้กับปีที่แล้วอันนี้ดีกว่ากันเหมืนกับบริ ษ, ษัทเแล้วซึ่งปีเขาก็ทําบัญชีผลหนึ่งดูว่าบวกลบคูณหารแล้วกําไรและขาดทุนก<ล> <ทำ S 1> ําไรก็ดีขาดทุนก็ดีขาดทุนก็ต้องทําอยู่ดีกําไรก็ต้องทําอยู่ดี ก, ดก็ต้องมาแก้ไขว่าอะไรทําให้เราขาดทุนอะไรทำให้เรากําไรแค่นั้นเอง ต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆต้องทําไปเรื่อยๆก็ค่อยวัดผลเอาจากสิ่งกระทบแล้วค่ะเพราะว่ามันมันมันเป็นวัดได้ดีที่สุดว่าเราเราเฉยได้หรือเปล่ามันยังเฉยไม่ได้แลค่ะแต่ว่าก็ทุกทุกจับมันน้อยลงก็คือเราก็รู้แล้วว่าไอ้ที่เฉยไม่ได้ตาโตตอนนั้นก็ยังเยอะสิ่งยึดมันยังเยอะอะไรเงี้ยต้องยายยังลงเพื่อเป็นของเราอยู่ยังคิดว่าให้ตามสุดกับเราอยู่ ยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรารจะส่วนใหญ่จะทุกข์กับคําคําด่าอะไรเงี้ย<ม> น, น, น, นะคะแล้วก็รู้แล้วลว่าเนี่ยเพราะว่ามาผุกเราเรายิดได้แล้วก็ก็ต้องดอนแบบว่ายต่างก็เราก็ามาด่าเราอย่เรื่ยอยๆใช่ใช่ไหเราไม่ชอบําด่าคำไหนก็ามาด่าเราเรื่อยๆลูกก็จะบอกเขาแหละว่ท่านเจ้าคุณ ให้บอกตัวเองหน้ากระจกว่าอย่าไปไม่รู้บอกว่าทำดีไปเพ่าด้วยมองหน้ากระจกแล้วแล้วก็ด่าคาที่เราไม่ชอบนี่เป็นคําด่าอะไรแรงแต่ว่ามันคือเหมือนกับคือหนูไม่เข้าใจมากกว่าว่าหนูทําอะไรเขาอย่างเงี้ยแต่แบบมันก็คือไม่ต้องไม่ทุกที่ว่าเราไม่อยากให้เขาด่าอยากให้เขาชมใช่ใช่อาจเนี่ยเราก็มองเราก็มองจีจี้แทนใจดำตัวเองว่าเราต้องหยุดตรงนี้หยุดความหยาดให้เขาชม ต้องอยาให้เขาด่าแล้วจะไม่ผิดหวังเอาเก่ากันด้วยให้วันนี้ไม่ด่าสักทีพยายาต้องแก้ปัญหาที่ความอยากมันอยู่ที่ความอยากก็พยายามหยุดที่ตัวเองมันต้องแก้ที่ตัวเองตอนนี้คนอื่นเราแก้เขาไม่ได้หรอกเพราะจะชมก็จะด่าล้าเราไปสั่งก็ไม่ได้ มันต้องแก้ที่ใจเราแเราอยากไปอยากให้เขาไม่ด่าเราใช่ไหมเราพยายายายามให้เขาชมเราแล้วเราจะไม่ไม่ทุกขกับค<ช>ําชมคำด่าครับเวลาไปหาคําตอบที่ ท, ที่อะไรที่มันเป็นอันข้างนอกแบบหนูก็จะเริ่มรูาเออมั น, ม, นมันไม่มันไม่ใช่เรื่องนะหนูต <c oughs> ้องกาันต้องข้างในงข้างนอกไม่ได้ก็ <c oughs> เหตุเป็นอยู่ข้างในเหตุก็พยายามเนี่ยอ่ะดีมันต้องการหนังสือซีดีก็เอาไปได้ แล้วมีทีดีทำชุดเตรียมพร้อมทไ้ันชุดเตรียมพร้อมไม่มีนะของหนูตาสี่แผ่มัดไปเลยรวมกันสี่แผ่นอันนี้สอนคนที่เป็นโรคเลยขอฝากพ่ออาเลอ เมื่อวานเราฟังเรื่องอาลกะกรรมฐานก็อยู่ว่าเรื่องเจริญเมตตาช่วยได้มากเวลาเราหงุดหงิดตัวเองก็ในเรื่องปฏิบัติเป็นแบบเพราะว่าบางทีเราโกรธก็นั่นเกียดก็นี้ฟังหนไม่ค่อยเกลียดใครแต่ว่ามันจะเหมือนกับปฏิบัติแล้วมันมันมีการขึ้นลงหรือบางครั้งก็ขี้กียจก็มันก็เกิดขึ้นในหนึ่งวันมันเกิดขึ้นหลายครั้งก็รู้สึกว่าถ้าบอกว่เจริญเมตตา ก, ก็ดีขึ้นก็ดีอันไหนใช้ได้ก็ใช้ไปเพราะว่าถ้าเป็นก่อนนอนหนูก็จะอะไรมาดาสุดที่ก็ก็ถัดกันตามอาการของตัวเองแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ว่าอะไรมาทำให้เราขุ่นมัวแล้วก็แก้มันไปมีมพุโทโธมีสเตรเมตตามีอสุภะมีมารดันสี่สี่อย่างนี้จะช่วยรักษาใจของเราให้ใสยเย็นสบาย เวลามีเรื่องขุนมัวอยู่ในใจแต่ต้องรู้จักเลือกใช้มันถูกกันเท่านเว่าจะถามเรื่องมีต้นอย่างไรค่ะปฏิบัติมาก็จิตใจมันก็เกิดมันเย็นขึ้นแล้วก็แบบเวลาเดินเดินจมหรือนั่งภาวนาเนี่ยเหมือนแต่ว่าร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนกับหุ่นยนต์จะคะ Um, ถ้ามันหุ่นยิดีเราไปลองไปคิดว่าเป็นตัวเราเอ้ à, ทีนี้พอพ <gam, S 1> อ, อสักพักหนึงมันมันมันเหมือนแต่ว่ามันมีสามสามตัวในในในคนคนเดียวนะเจ้าค่ะความค้างก็แวบหนึ่งก็เห็นตัวเอ็กแว็บหนึ่งก็เป็นเหมือนกับความคิดหรือว่าตัวเดียวรือต่อจะรับบ่างเดี๋ยวแท็บมามันก็มองที่กายแล้วก็รู้กายเราสักแว็บเนี่ยมันก็ ตัวจิตนันก็ปรากฏขึ้นมาแต่ว่าไออีกตัวหนึ่งมันอ๊มันรู้ตัวปุ๊บมันก็หยุดไปเลยแล้วค่ะอะไรก็เลยว่าแต่ว่าเหมือนกับว่ามันแค่รู้ว่าตัวร่างกายไม่ใช่ตัวเราพอพอเย่าไปนิจจะไปติดมันมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายนั่นคิดอย่นี้แต่ตัวรู้นี่ตัวจิตตัวคิดนี้มันไม่ตายนไม่ต้องไปตื่นเต้นตอกใจกับร่างกาย ยามันแก่มันเจ็บมันตายก็ให้ดุเฉยๆไปแต่ที่นี้ลูกดูได้ยินนะเหรอเวลาครูบาอาจารย์มีท่านจะแบบพิจารณาแบบมาดูร่างกายสังขารเนี่ยเวลาลูกพิจารณาเสร็จแล้วมันก็ไม่ลงสักทีว่าผมขนน้ำเล็บอะไรเนี่ยไม่ได้ให้รู้ว่ให้รู้วมไม่ใช่ตัวเราของมันให้รู้ว่ามันเป็นตุกตาตัวนึงนแล้วให้มันไม่ไปทุกข์กับมัน เท่านั้นเองยังทุกข์กับมันอยู่ว่าเปล่าถ้าเรามีตุ๊กตาตัวหนึ่งเราจะทุกข์กับมันไหมร่างกายนี้ก็เหมือนต๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่แล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียมันไปให้รู้ให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เวลาร่างกายนี้มันตายไปมันมันมันมันเป็นอะไรไปเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันเพราะเราไม่ใช่มันเราแต่เพียแต่เป็นคนเล่นต๊กตา ส่วนร่างกายเป็นตัวตุกตาชค่ะลูกพาวนานแบบอคิดปฏิบัติอย่างนี้แหละเจ้าค่ ะ, ะแล้วทีนี้นพ่อต้องให้ลูกแบบเพิ่มเติมอะไรอีกไห้าค่ะก็ทําทไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เผลอไม่ให้เดินแล้วก็ทดลองดูไปพามันใจอยู่ที่มันน่ากลัวดูว่ายัางจะยังรักยังหวงมันอยู่หรือเปล่า ทนี้ลก็อยากจะไปปฏิบัติอยู่เดียวมาอะไรแต่ว่ามันก็จะติดดูแลคนแมไม่ได้ติดตลอดเวลาเนี่มีตอนนี้ก็มาที่นี่ได้เมไม่ต้องไปตลอดเวลาก็ไปสองวันสามวันเมอ่อไปก็สอบดูเราอย่านี้ยังยึดยังยึดยังติดกับร่างกายนี้อยู่หรือเปล่ายังหลงว่าเป็นตัวเราของเราอยู่หรือเปล่าทา ถ้าไม่หลงก็จะไม่ทุกข์ไม่กลัวอะไรอะไรจะเกิดก็เกิดกับตุกตาไม่ได้เกิดกับเราอาจารย์เราไม่ทำดูอาจารย์คิดว่าย่าทีว่าจิตเราเหมือนว่าเป็นผู้รู้ผู้คิดนะครับและไอ้ตัวอะไอยตัวที่ว่าตั้งตั้งก็ตั้งตัวเดิมๆเชื่อเราก็เชื่อเหมือนเชื่อเดิมๆเลย ไปทำผิดไม่ใส่ไม่เปลี่ยนไม่ใส่ อ, ใอย่างที่ว่าให้ท่ารักให้รักที่ตัวตันห า, าทำสมาทิแล้วมันก็จะมีกำลังรักได้เพราะเวลาทำสมาีิเราหยุดไม่ได้เพราะผู้โทรผมคิดว่าใช่ใช่ผู้โทรหนักครับพรมันไม่ต่อเรื่องปุ๊บมันก็อัี้เอาละเริ่มต้องพยายามทาไปเรื่อยๆเหมือนกำกกำลังเราไม่ ไ ม, ไม่พอ <S <S จ้ากรเยอะเราคนเดียวเขา1ิคนเราก็จะดึงไปทางเข้าอยู่เรื่อย<ช>เราต้องพยายามทำบ่อยๆแล้ต่อไปเราจะมีกำลังมาก<ช>ต่อไปเราก็จะหยุดเขาได้<ช>อตอนนี้เรายังหยุดเขาไม่ได้ต<ช>อนเริ่มต้นนี้ก็ต้องแพ้เขาไปก่อน<ช>แต่พยายามทำๆๆบ่อยๆคุดโทรบ่อยๆแล้วต่อไปนั้นก็จะมีกำลังมากขึ้นไนเ้ื่แล้วต่อไปก็จะหยุดความอยากได้ ไม่มีอะไรก็คิดว่าพอแล้วเนี่ยนี่ตาอีกนิด่มาจาดไกลนี่ตาอะไรคยณข่าวมาเก่งใจคุณดูกาจากปการทำสัเนี่ยนี่จกล่าสิดียวกันถือไปอานไปฟังพูดมาตั้งแต่สองงู ถ้าอยากจะฟังก็ต้องมาเช้าๆมาสองโมงถ้ได้ฟังมีมาตอนที่มันจะจบแล้วการเราเริ่มใช้ใหม่ยังไม่ไหวนะเสียงยังไม่มีแล้ว